แมยตัวนี้ชื่อธามะธามะตอนที่มีชื่ออยู่ก็มีชื่อเสียงนะเพราะว่าคนก็เชื่อว่าเป็นแนวนำโชคคนญี่ปุ่นนี่เขามีความเชื่อกีก่าแมวที่มันมีสีสามสีเนะี่ย ว่าจะเป็นนําโชคมาให้แล้วก็ธรรมะก็เป็นเป็นตัวเดียวในครอะนะที่มีสีสามสีซึ่งที่บ้านเราก็หาได้ไม่ยากแต่บ้านเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะแต่ที่ปุ่นนี่ก็ถือเป็นแมวนําโชคตอนที่ตายเนี่ย ทำอายุ16ปีแล้วก็มีตำแหน่งเป็นนายสถานีนายสถานีของเมืองเมืองหนึ่งสถานรถไฟแล้วก็ยังได้เป็นรองประธานบริษัทวากายม่าอิเล็กทริกด้วย คงจะเป็นแนวตัวเดยนในโลกนะั้นที่มีตำแหน่งเป็นรองประธานหรือว่าเป็นกรรมการบริษัทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะแต่ว่ามันก็น่าสนใจว่า แมวตัวนี้นี่ขึ้นมาเป็นรองประธานบริษัทได้ยังไงที่บอกไว้แล้วว่าคนญี่ปุ่นนี่เก็มีความความเชื่อเรื่องแมวนำโชคแมวสามสี่แบบนี้เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะก็จะให้อยู่วัดนะเป็นแมววัดแล้วก็เพราะว่าถือว่า เป็นแมวที่เป็นแมวสูงอนะ่ะชั้นสูงนะ่ควรจะอยู่วัดนะแม่ก็ทั้งทุกวันนี้เนี่ยนะเวลานักศึกษาเนี่จะสอมนี่ก็ต้องนะถ้าเป็นเมืองไทยก็ไปบนบานศาลกล่าวนะแต่ว่าถ้าเป็นนักศัยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเอา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 เป็นรูปแมวแล้วก็ยืนกวักยืนกวากนั่งกวากเดยนั่งกวากลูกค้าแล้วมือที่กวางนี้ก็ขึ้นขึ้นขึ้นื่อนลงขึ้ น, น, น, น, น, ล, งนลงได้นะมันเป็นมันมีมอเตอร์อยู่ข้างใ น, นก็จะกวากให้คนให้ลูกค้าเข้ามาดั้นพอธารมาเกิดมาเนี่ยนะแล้วก็ มีสีสามสีก็โดนแมวที่จะนำโชคลาบมาให้ก็มีเจ้าของร้านเจ้าของร้านชำนี่เขก็ให้แมวเนี่ยมาอยู่หน้าร้านก็อยู่มันก็อยู่ยงั้นแหละนะแล้วก็ลูกค้าเห็นก็ชอบก็จะมา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 เพราะฉะนั้นก็เลยต่คนแก่แต่ว่ารถไฟแบบนี้นี่มันมีสเสน่ห์นะเพราะว่าเป็นรถไฟที่ขัแรลนไปตามเส้นทางชนบทเคยมีโอกาสขึ้นรถไฟแบบนี้อยู่หลายครั้งคนก็ไม่เยอะ แล้วก็สองข้างทางก็สวยงามแต่ว่าเส้นทางก็มักจะไม่ไกลนะประมาณสักหกิเจกิโลอะไรเงี้ยทั้งเส้นทางทั้งสายก็มีสถานีประมาณสิบกว่าสถานีถ้านั่งเล่นนะก็ก็ได้แต่คนที่จะมานั่งเล่นก็มีน้อยเพราะเดี๋ยวนี้นี่ผมนั่งนั่งรถไฟชิยงกันเซนกันมันเร็วดีหรือไม่ก็นั่งรถ สถานีนี้มันก็จะปิดตัวคนก็ไม่ยอมลูกค้าก็ไม่ยอมตอนรลัก็ไปขายให้บริษัทนียขายให้บริษัทวัคยมมายม่าวัคยาม่าก็ทำการปฏิรูปใหญ่เลยไล่คนปลดคนงานออกนะลดค่าใช้ใจ่ายก็เหลือแต่ให้เจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านช่องเนี่ยท่น้าหน้าที่คอยดูแลสถานี เจ้าของร้านช้างเ็ได้ถือโอกาสตั้งธรรมะนี่เป็นนายสถานีเลยนะนตั้งมีจีบมันจังเลยนะมีตําแหน่งอยู่ในบริษัทว่าเป็นนายสถานีแล้วก็มีหมวกนะหมวกของนายสถานีแล้วก็ให้ทําให้ที่ทํางานนะให้นั่งอยู่เนี่ตรงออฟฟิศของนายสถานีธรรมะก็ ก็รู้หน้าที่นะก็วันๆก็อยู่ในนั้นเนะ่ยเก้าโมงเช้าห้าโมงเย็นก็ไม่ไปไหนอยู่ในสถานีจะพักก็แค่วันอาทิตย์นยะวันาที่หยุดงานวันธรรมดาก็เก้าโมงห้าโมงเย็นก็มาอยู่ที่สถานีในออฟฟิศบางทีก็มาเดินปุวนเปียโนอยู่ใกล้ๆอยู่ในสถานี้นนนนคนเห็นคนก็พอเห็นทำ ม, มาเป็นในสถานีเขาก็ ก็เริ่มมากันแล้วนะเริ่มทยอยมากันเห็นหนึ่งเห็นเป็นเรื่องแปลกสองเห็นว่าจะได้โชคได้ลาภนนะถ้าเกิดมามาเจอมาสัมผัสนะมาได้พบแมวตัวนี้นะก็คนก็มากันนะคนก็มาใช้บริการสถานรถไฟนี้มากขึ้นมากขึ้นตอนหลังถึงกับมี มีเที่ยวพิเศษนะเที่ยวเที่ยวธรรมะเลยนะในรถไฟนี่มีโปสเตอร์เกี่ยวกับแมว ม, มีโปสเตอร์เกี่ยวกับธรรมะ ม, มีพวกเบาเบอร์อรแรงต่างที่เป็นแมวหมดเลยเป็นเป็นรูปแมวหมดเลยคนญี่ปุ่นนี่เขาชอบแล้วกุกกิ๊อยู่แล้วนะก็มา น, นั่งรถไฟสายนี้นะตอนหลังก็มีคนนะ ผลิตกระเป๋านะผลิตเครื่องของที่เราเลือกอะที่เกี่ยวกับแมวนะสารพัดเลยแมวกังขนมขนมก็แมวคนก็ซื้อกันนะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสถานีรถไฟนี้ที่ที่เคยจะยอดยากก็ปรากฏว่ากลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวมีคนประมาณว่าเนี่ย ในช่วงสิบปีเนี่ยช่วงตั้งแต่ปีสี่ก้าถึงปัจจุบันนี้มีเงินไหลเวียนในในเมืองนี้เนี่ยพอธรรมะเนี่ยประมาณเราว่าหนึ่งันล้านเยนนึ0ันล้านเยนก็ประมาณส0 0ร้อยล้านบาทมั้งสี่รอยล้านบาทเศรษฐกิจของชาวบ้านก็ฟื้นตัวขึ้นมาก็ยังทำให้ความขลังของ ทำมานี่มันมีมากขึ้นคนก็ยิ่งมาก็ไปใหญ่ตอนหลังก็เลยเร่องลือสถานีใหม่เลยให้เป็นรูปแมวไปเลยนะเป็นหน้าแมวนะหน้าต่างป ร, ประตูทางเข้าทางออกก็เป็นปากแมวอย่าเงี้ยคนก็ยิ่งมาก็ไปใหญ่ยังมาถ่ายรูปมาอะไร มาแล้วก็ต้องใช้รถใช้รถไฟเขานะก็ทําให้ทำหมานี่เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความดีความชอบเลื่อนจากนายสถานีเป็นผู้ช่วยหัวหน้านายสถานีแล้วก็ต่ลังเลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกจิตวิศัชน์แล้วก็ต่หลังก็ได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยไม่ใช่รองรองประธานบริษัท เราก็ยงไม่เล็กถกก็คงจะเป็นลายเดียวนะคงจะเปนแมวตัวเดียวที่ <c oughs> ได้รับเลื่อนแบบนี้ได้แล้วคงมีญี่ปุ่นประเทศเดียวด้วยที่มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทางมังว่งดูว่าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันนะรับผิดชอบอแล้วก็ทั้ง อายุมากอายุสิบหกปีก็ตายนะตายเมื่อตอนนี้แล้วอายุสิบหกปีนะเก่าแก่มากตอนตายนี่ยคนก็มาเป็นพันเลยนะมางานศพแล้วก็ประธานวิสาก็จะบอกว่าเนี่ยได้ยกยกให้เป็นเทพไปเลยนะฝังศพในศาลชินโตความชื่อแบบนี้นี่มันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันยังมีอยู่ในยกนี้นะ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 S <S <an ly> เราว่าเอาอาหารมาให้หรือมาเยี่ยมมาชมมาสัมผัสจับน้ต้องตัวมาแล้วก็ก็ซื้อของเขาหน่อยนะซื้อของเขาถือว่าเผยได้โชคลาภจากของที่ซื้อไปด้วยนะก็าทำให้ร้านเนี่ยขายดีขายดี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 แม่แบบนี้จะให้โชคให้ลาเขาก็มากันหรือบางทีก็เห็นเป็นเรื่องแปลกด้วยเพราะมันมัน ม, ม, ม, มีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเลยนะให้แมวตัวนี้เป็นนายสถานนะีอันนี้ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแบบหนึ่งนะให้แมวใส่หมวกแมวทำแบบก็ยอมใส่หมวกทั้งวันนะคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบอะไรกุ๊กกิ๊กอยู่แล้วเข ก, ก็มากัน มา ก, ก็มาถ่ายรูปนะมาแล้วก็ซื้อของนะอันนี้เป็นเป็นแค่แคว่าเป็นอกทธ่พลของบริโภคนี่อยงแบบหนึ่งนะต้องจับจ่ายใช้สอยต้องซื้อเป็นของฝากนะมันก็เลยโชคล่าก็เลยตามมานะ ที่เรียก <S an> ว่าความเชื่อเนี่ยมันความเชื่อเนี่ยมันมันเลี้ยงตัวเองนะความเชื่อเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองความเชื่อเนี่ยมันมันส่งเสริมตัวมันเองให้ให้ยั่งยืนไปได้เรื่อย ๆ, ๆนะแต่ถ้าคนไม่เชื่อนะถ้าคนไม่เชื่อเนี่ยว่าแมวนี่จะนําโชคเขาก็ไม่มานะ ถ้าถ้าไม่มีความเชื่อสักอย่างเนี่ยโชคลา่บก็มาไม่ได้นโชคลา่บจะเกิดขึ้นกับร้านค้าจะเกิดขึ้นกั บ, บกับรถไฟฟ้ากับรถไฟก็ไม่ได้แต่พราะมีความเชื่อให้ความเชื่อนี่มาสำคัญมากมันไม่ใช่เฉพาะความเชื่อเรื่องแมวเชว่อความเชื่อเรื่องอื่นโดยกระดาษเช่นคนไขยเนี่ยมีความเชื่อหมอคนนี้เก่งหมอคนนี้ สีมือดีนะสามารถจะช่วยให้หายได้พอแค่เจอหน้าหมอเนะน่ะก็รู้สึกดีขึ้นเลยและพอหมอให้ยาไอความเชื่อความศรัทธาตัวหมอก็ทำให้เกิดมีศรัทธาในยาที่หมอให้มันก็ทำให้อาการเนี่ยดีขึ้ น, นเพอเพอหายเลยนะ ความเชื่อนี่มันมีที่พลมากนะที่หมออาจะไม่ได้เก่งอะไรแต่ความเชื่อหมอเก่งทางที่มันมีผลต่อคนไข้อันนี้หมอเขาก็ยอมรับนะหม อ, ห ม, อมีหมอคนหนึ่งมีชื่อมากชื่อวิลเลมออสเลอร์เป็นหมอที่เป็นชาปนาดาที่เป็นที่รู้จักกันในวงการแพทย์อังกฤษอเมริกาเมื่อสักเจ็สิบแปดสิบปีก่อนเนี่ย แกก็ยอมแล้ววัเนี่ที่แกแล้ะที่คนไข้รักคนไข้อาการดีขึ้นหรือรักษา ห, หายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะฝีมืองแกมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันเป็นเพราะความเชื่อความศรทัทธาในตัวแกคนไขก็เลยรู้สึก ด, ดีขึ้นเคย ม, มีคนไข้วันนึงแกเป็นมะเร็งแล้วก็ได้ มอร์ฟีนแต่ว่ามอร์ฟีนที่ให้ก็มันไม่พอที่จะระ ง, งับปวดได้คือระ ง, งับได้แค่ชั่วคราวแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละก็ปวดใหม่ก็ร้องขอมอร์ฟีนแต่ว่าหมอก็ให้ไม่ได้เพราะว่ารับเยอะไปแล้วได้มอร์ฟีนแค่ครั้งอ่ะ 3มชั่วโมงครั้งนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วจะให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้คนไข้ก็ร้องร้อ ง, องด้วยความทุกข์ทรมานขอมอร์ฟีนพยาบาลคนนึงสงสารก็เลยให้ไปคนไข้พอได้ก็สบายนอนหลับได้แต่เพราว่าเพื่อนพยาบาลเห็นก็มาต่อว่านะพยาบาลนี้ให้ไปได้ไงหมอห้าม พยาบาลคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่ได้ให้มอร์ฟีนนะให้ให้วิตามินนะพยาบาลให้วิตามินแต่คนไข้นี่เชื่อว่าเนี่ยอันนี้คือมอร์ฟีนแลงับปวดนะพอมีความเชื่อแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้ความปวดแลงับลงนะมันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกที่ใจ แต่มันมีผลต่อสมองนะมีผลต่อการหลั่งสารเคมีบางอย่างบางตัวในสมองทำให้ความปวดทุเราลงได้วนะเรื่องความเชื่อเนี่ยความเชื่อสำคัญมากนเะนะชื่อว่าแนวสามสีนี่ให้โชคได้นะให้โชคให้ได้ลากเจ้าของก็เลยได้โชคได้ลาบจริงๆนะ ลูกค้าเข้าล้านี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อ น, ม, นมันเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความอำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรแเป็นความเชื่ออยู่ในในในหัวหรือในจิตใจของผู้คนแต่ว่าความเชื่อวันนี้ถ้าจริงว่าไปมันก็ไม่ได้เสียหายนะ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 สิ่งที่มาตอบสนองความต้องการทางกายแต่ว่าต้องการความสบายทางใจได้มาเห็นแมวนะแก็มีความสุขโดวยว่าคนญี่ปุ่นเกาจะมีมีมมุมนี้มากอยู่แล้วนะเป็นประเภทกุ๊กกิ๊กนะที่คนไทยเรียกว่าคลิกขูอโนเน่เนี่ยก็จะมีมากทีเดียวเห็นแมวเห็นอะไรก็จะชอบ พวกสติกเกอร์แหล่งต่างขายดีก็เพราะค่านยิยมแบบนี้บางร้านเนี่ยเขามีหมานี่มีหมามีหมาที่น่ารักเนะี่ยหมานี่ก็ญี่ปุ่นเหมือนกันนะช่วยขายของได้หมาตัวนี้ก็จะอยู่ที่หน้าร้านนะแล้วก็ช่วย เจ้าของขายของบางทีไม่ได้ช่วยอะไรมากก็แค่โผล่หน้ามาที่ประตูเอาที่หน้าต่างคนก็ชอบเขาก็ลือลอกันไปนญี่ปุ่นนี่สมัยก่อนโทรทัศน์มันไวมากเลยพอลือไปสักพักโทรทัศน์ก็มาถ่ายถ่ายเสร็จก็เป็นข่าวเป็นข่าวก็ดึงคนมา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 พวกเครื่องลรางของขลังก็ขายดีขายดิบขายดีนะไปวัดที่ไหนก็ตามเ่ะเช่นไปวัดหลวงพ่อโตที่นาราหรือว่าที่ย่านหรือที่ ก, กามกุระเนี่ยก็จะมีพวกของพวกเครื่องรางของขลังเนี่ยเยอะแยะหมดคนก็ซื้อไป ไปไปที่บ้านมังไปติดรถบ้างนะเราคนนี้ไม่ต้องเสกอะไรเลยนะเ้าก็เชื่อกันนะคนญี่ปุ่นนี่เชื่อว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั่วไปหมดนะเชื่อว่ามีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามข้อเข้าเครองเครื่องใช้ด้วยนะจะเป็นจอจะเป็นเสียงจะเป็นดินสออะไรต่างๆก็มีความเชื่อมในะสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ยังก็ยังหลงเหลืออยู่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 ก็ถือว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นเป็นตัวแทนของของเทพนะที่จะมาช่วยประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้ไหวครูไม่ว่าครูในด้านละครหรือว่าโขนหรือว่าวิชาความรู้หนังสือนั้งหาหรือว่าไอเรื่องกเกษตรนะเขาก็ใช้พวกข้าของเครื่องใช้เนี่ยแหละ มาเป็นสื่อที่จะให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ของของของของเทพเนี่ยมาอามาํานวยผลให้กับผู้ที่เคารพ ก, กรบาบไหว้ก็เป็นความเชื่อเดียวกันนะแบบญี่ปุ่นคล้ายญี่ปุ่นก็คือมีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เขาก็มันมีอยู่ในข้าวของเครื่องใช้ต่า ง, า ง, า ง, างๆนั่นคนไทยมีความเคารพหนังสือมาต่ก่อนเนี่ย จะไม่ข้ามหนังสือเลยจะไม่ยืนจะไม่เดินข้ามใครที่เดินข้ามหนังสือถือถือว่าอุบาทมากแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีความเชื่อแบบนี้แต่คนคนรุ่นผมนี่ก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่นี่กเป็นความเชื่อของของผู้คนที่มันก็ไม่ได้สูญหายไปแล้วก็สมัยนี้ก็จะอาจจะมีมากขึ้นในซ้ำเพราะพวกเทคโนโลยีนะ การกระพือข่าวนะการกระพื่อข่าวสมัยนี้ันกระพือได้กว้างมากก็จะมีข่าวเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆและยิ่งคนรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกหวั่นไหวไม่รู้จะมีอะไรไปดีพึ่งก็ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแลนะ้มนุษย์เหล่านี้ก็ต้องอยู่กับความเชื่อเรื่องพวกนี้นะไม่ว่าจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหนก็หนีไม่พ้นนะ อย่าไปคิดว่าพอมีวิทยาศาสตร์แล้วไอ้ความเชื่อยละพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์จะหายไปมันไม่หายต่อไทถึงนู้นเรายังอ่อนแอยั ง, อยงต้องการที่พึ่งยังมีความโลภยังอยากร่งอยากัวยังก็ต้องมีความเชื่อเรื่องโชคเรื่องเรื่องสิ่งเหล่านี้แหละเอาเนี่ก็พูดกันตอนนี้นะครับ